เปาทุกวัคสิกขาบทที่หนึ่งหนึภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนผู้สวมเขียงเทา้าต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกดสิกขาบทที่สองภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนสวมรองเทา้าต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏ สิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนอยู่ในยานพาหนะต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนผู้อยู่บนที่นอนต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่ห้า ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่นั่งรัดเข่าต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่6ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนผู้โพกศีตรษะต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัติทุกกฏสิกขาบทที่7ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ แสดงธรรมแก่คนผู้คลุมสีรษตต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่8ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อนั่งอยู่บนพื้นดินแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่เก้าษิุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อ นั่งอยู่บนอาสนะต่ำแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะสูงต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกดสิกขาบทที่10ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อยืนแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งอยู่ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่11ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ เดินอยู่ข้างหลังแสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปข้างหน้าต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่12ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปในทางต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่13ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะต้องอาบัดหนึ่งอย่างคืออาบัตดทุกกฏสิกขาบทที่14ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงบนของเขียวต้องอาบัดหนึ่งอย่างคืออาบัตดทุกกฏสิกขาบทที่15ถาม ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน uite, ้ำลายลงในน้ำต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบภิก si. ษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัดหนึ่งอย่างคืออาบัตดทุกกฏภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำ ต้องอาบัตหนึ่งอย่างนี้ปาทุกกวักที่เจ็ดจบเสขิยวัฏเจ็ดสิบห้าิกขาบทจบกตาปติวาระที่สองจบ